ปุพันเถปินทป่าตันจักสายยนเหธรรมเทสนังปะโทเสพิกุโอวาตังอัทธระเตเทวะปัญนหานงปัจจูเสว ะ, ะเคเตกาเลพัพาพัพเป ว, วิโลกนังในเวลาเช้าเสนบินดบาดเวลาเย็นทรงแสดงธรรมเทศนา เวลาย่ำคำ่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาแก่เทวดาเวลาใกล้รุง่งโปรดดูหมู่สัตว์ที่พระองค์จะโปรโดได้ในเวลาเป็นย่ำสุดท้ายราตรีที่เมื่อท่านฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะ มาทำจิตใจของเราให้มีความสงบให้มีความวิเวกเล็กเรนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมกับมูลนิธิปัญญาปาวนานำเสนอรายการธรรมรับอรุณกับพระมหาไพบูรณ์กับพี่ปุณโ น, โนในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำจิตให้สงบให้เป็นอารมณเดียวกันลำบูฟัง วันนี้เราจะตามประลึกถึงพระพุทธเจ้าในพุทธกิจห้าประการเอาเรื่องนี้มาไตรตรองใคร่ครวนเริ่นพุทธานุสติพุทธานุสติคือการตามประลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านหน้าตาเป็นยังไงหรือเสียงท่านเป็นยังไงหรือพระทาตุท่านเป็นยังไง หรือเครื่องใช้บริการเท็มเป็นยังไงยังไงไม่ใช่นั้นภายนอกามากๆเลยแต่การตามระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือการมาตั้งจิตไว้ดิง่งอยู่ต่อพุทธโธซึ่งพุทธโธนี่คืออะไรพุทธโธนั้นคือการประสรูของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาที่ตัวท่านไม่ได้เอาที่เสียงท่าน ไม่เดาที่เรื่องแบบก้าวของเรื่องใช้หรือแม้แต่พระาธาตเลยไม่ได้เอาตรงนั้นเลยแต่เอาการที่ตั้นตรัสรูในทีน่นี้ให้เรามาเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคาว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจของเรานึกพุทโธไว้นึกพุทโธเพื่ออะไร เพกิดสติง่ายประกอบเป็นการเจริญพุทธานุสติพุทโธอยู่ตรงไหนพุทโธเป็นความคิดอยู่ในใจอยู่ในช่องทางใจมันก็เป็นน้ํามันไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงท่ามกลางอกหรือในสมองเนื้อสมองหรือว่าตามแขนขาต้นมะม่วงต้นมะพร้าวไม่ใช่แต่ว่าเป็นในช่องทางใจเป็นนมามาธา สิ่งที่เป็นนามมันก็ไม่ได้จะเกี่ยวกับรูปแล้วว่าต้องมีไทม์แ d s สเปซมีตำแหน่งมีเวลาไม่ใช่แต่ว่าเป็นนามใจจิตความคิดนึกอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนึกกุโตไว้ที่นั่นที่สำคัญคือการนึกได้ตัางหาความที่เรานึกได้ระลึกได้ความนึกได้เราถึกได้นั้นน่นนะคือสติ จริงๆแล้วเราจะเอาคำอะไรก็ได้นะดูฟังนะจะเอาคำว่าธรรมโมจะเอาคำว่าส ah ัมมาอรหังจะเอาคำว่ายุบเนอะปองเนอจะเอาคำว่าอะไรก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นคือสติที่นึกถึงคำนั้นนั่นนะนั่นคือสติความระลึกได้แต่ว่าตอนนี้เราจเจริญพุทธานุสติก็คือมันนึกถึงประพฤตเชอาก่อนละกัน มานึกถึงการตรัสรู้การตรัสรู้ความตื่นความเบิกบานให้คุณของท่านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเมตตาความกรุณาปัญญาความฉลาดหลักแหลมการกำหนดบทเพียญชนะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมารวมอยู่ในคาว่าพุทโธแล้วตั้งคำว่าพุทโธพุทโธ พุโทโธไว้ในใจของเราไม่ต้องพยายามบังคับความคิดตะมุฟังเพราะว่าถ้าบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวแต่ให้บางทีมันก็มีความคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั่งคนนี้ผ่านมาไม่เป็นไรวันนี้เราอาจจะลืมพุโทโธไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่นึกได้ระลึกได้เมื่อไหร่ให้นึกถึงเอาคํานี้กลับมาทันดีความระลึกได้นึกได้นั้นนั่ะ คือสติความระลึกได้นึกได้ที่ตั้งขึ้นมีขึ้นคือสตินั้นมีกำลังมากขึ้นก็ตามกระบวนการของพุท ธ, ธานุสติเวลาเราตั้งสติไว้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธใน่น่อยมาหูธมฟังกรีเสียงกับประชาไปด้วยหรือว่ารธรรมบฟังลืมตาขับรถอยู่วิ่งอยู่ก็จะสามารถเห็นภาพต่างๆไปด้วยเมื่อจะมีรถยาพยาผ่านมา หรือมีคนทำอาหารอยู่ไม่ไกลเราก็จะได้กลิ่นนั้นด้วยเสียงด้วยภาพด้วยกลิ่นด้วยความคิดนึกต่างๆอดีตนาคต ด, ด้วยผ่านมาแน่นอนนะถ้าเราไม่มีสติว่าอยู่กับพุทโธนี่มันจะเหมือนกับว่าเราเอาสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกแล้วเอาปลายเชือกอีด้านหนึ่งมาผูกรวมกันเอาไว้เป็นปม ปล่อยมือไปสัตว์ไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงสัตว์ตัวหื่นไปนะจระเข้นี่หมายถึงลิ้นปากท้องมันก็จะลงน้ํานกนี่หมายถึงตาพระตาบันดีมันจะบินขึ้นฟ้าสุนัขจิ้งจอกนี่หมายถึงจมูกเพราะมันดมกลิ่นซากศพจากที่ไกลได้มันดึงไปก็จะใบฝาชา้าสุนัขบ้าน มันเข้าใจเสียงมนุษย์ได้ยินเสียงแล้วมันก็จะไปที่ในหมู่บ้านงูมันไม่มีขาเวลามันเดินไปไหนมันก็เลื้อยไปด้วยกายมันจะไปไหนก็ลงจอมปลวกส่วนลิงเปรียบเหมือนใจที่มันจะมักไม่อยู่นิ่งมันจะมีความคิดนึกธรรมารมต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยสัตว์หกชนิดเหล่านี้ตัวไหนมีกำลังมากกว่า ก็จะดึงตัวหน่นไปเช่นเดียวกันดูฝังงบาถ้าเราไม่ตั้งสติวไว้นะจิตเรามันจะถูกดึงไปตามเสียงผ่านทางหูกลิ่นผ่านทางจ ม, มูกความคิดนึกผ่านทางใจเราอย่าให้จิตของเราถูกดึงไปอย่างนั้นด้วยการตั้งสติของเราขึ้นพอปลายเชื่อกอีด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลัก เสาเกินเสาหลักในที่นี้คือสติสติจะเกิดได้จากในที่นี้คือพุทธานุสติใช้การตรัสรูของพระพุทธชาตเป็นเครื่องมือใช่ใช้พระพุทธชาตเป็นเครื่องมือเลยนี่แหละท่านอนุญาตให้ใช่ไงท่านทำสร้างบำเพ็ญบารมีมาขนาดนี้นี่ให้เราใช้นะบริการเต็มที่เลยนะ เพราะว่าตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ด้วยความง่ายๆนะทุกวางนะด้วยความลำบากนะปฏิบัติมาทำมาแก่ปัญหาต่างๆมาในแต่ละภพละาชาตินี่แลกมาด้วยชีวิตนะตายแล้วตายอีกเป็นอเนกชาติเสียสงไขแสนมหากับบวกกับอีกก่อนหนะ้านั้นอีกยี่สิบนานมากขนาดนี้เพื่อที่จะแสดงธรรมเพื่อที่จะ ให้คนได้เอาความรู้เนี่ยไปใช้ไงเอาไปใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เกิดสติเราจึงเอาคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่มาตั้งไว้ในใจในที่นี้คือนึกถึงพุโทโธ น, นั่นเองความนึกไดนะ้คือสติพุโทโธไม่ใช่สตินะทุฝั่งนะพุโทโธก็เป็นแค่คําคำหนึ่ง แต่การระลึกถึงคำบาพุโทโธได้นี้นั้นตั้งหากละ่ะหนึ่งคือสติหรือแม้แต่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยในข้อพุทธโธนี่มันก็เป็นคุณของท่านนะยังไม่ได้มาเป็นคุณของเราเหรอกหรือว่าแหมถ้าลำพังเพียงการฟังเทศจากพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะให้เกิดพุทธโธได้เลยเนี่ย แมมันก็ใครก็มารู้ทำหมดแล้วในสมัยพุทธกาลใช่ปะหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยสมัยนี้เห็นอย่างดีมากที่สุดก็พระพุทธรูปก็ตามลักษณะที่ช่างเขาจะจินตนาการในการที่จะปั้นขึ้นเขียนขึ้นแล้วก็มีวิวัฒนาการมีค่านิยมอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยซึ่งคำ่าปพุโทโธหรือการตรัสรู้ของท่านมันก็เป็นของท่านนะ มันยังไม่เป็นของเราเราจะทําพุทธโธให้เกิดขึ้นจริงๆในจิตใจของเราได้ต้องด้วยการระลึกถึงพุทธโธนี้ก่กอนมันง่า ย, ายๆดูฟังจะไปตามหาใครต้องรู้ชื่อเขาก่อนถึงแม้ยังไม่เห็นหน้ายังไม่รู้เขาทำลายแต่ก็บอกให้ไปหาเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้เราจะหาเขาได้เราจะหาก็เจอยแล้วต้องรู้ชื่อกันก่อนเราจะหาพุทธ โทในจิตใจของเราซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าพุทโธมอยู่ไหนในจิตใจของเราเราก็เรียกชื่ออก่อนพุทโธพุทโธคุณอยู่ไหนในช่องตั้งใจของฉันามาปักตั้งไว้ตรงนี้ใช้พุทโธเป็นเครื่องมือที่จใจเกิดพุทโธในจิตใจของเราพอมาสังเกตอยู่กับครม่าพุทโธพุทโธสังเกตดู เราจิตมาจด่อไว้กำหนดรู้นั่นคือการระลึกถึงถึงสิน้นหรือเป็นคำสินอนนิ่มกันสติที่เราตั้งไว้นั้นจะทําให้จิตของเรามันไม่เผลอเพลินไปนในเรื่องอื่ น, นมากเท่าไหร่สติที่เราตั้งไว้จะทําให้จิตของเราไม่ลืมหลงไปตามความคิดนึกเรื่องอื่น เสียงอื่นกลิ่นอื่นแต่เพราะว่าพอนึกถึงได้มันก็จาได้ไงจำได้มันคือไม่ลืมไงพอไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินจิตมันมาระ ง, งับลงระ ง, งับลงนี่จะเป็นธรรมชาติของเขาทันดีพอเราตั้งสติไว้ความเพลินลดลงความเผลิอลดลงความห ล, ล, ล, ลงลืมลดลงจิตที่มันลืมลดลงเพลินลดลงมันก็รวมมากขึ้นไง ระ ง, งับลงระ ง, งับลงไปนั่นนี่โน่นไม่ไปมันก็มีอยู่กับพุทโต ท, ที่มารวมกันระ ง, งับลงก็เหมือนกับเอาเชือกมาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลักไงงูมันอาจจะดิ้นบ้างลิงมัน จ, จะวิ่งรับร่าบบ้างจอร์เจมันก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันนกมันก็บินไป บ, บินมาแต่มันก็อยู่ได้แท่แถวนั้นแ่ะได้แค่เท่าที่เชือกตึง ไปได้อยู่ขยับได้อยู่แต่ก็อยู่แค่แถวนั้นอะ่ะอาจจะยังไม่นิ่งเป๊ะแต่ไม่ไกลเกินกว่ารัศมีของเชื่อเช่นเดีวยวกันบางทีเราจิตยังไม่สงบอะ่ะจะเป็นหนึ่งไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่มันก็คิดบ้างแต่มันก็ไม่เกินระยะของการนึกถึงพุทโธนึกถึงพุทโธได้ครั้งล่าสุดเมาาื่อไรเมื่อกี้ในความฟุง้งซ่านที่จิตมันจะหนีไปมันก็เกิดขึ้นได้แค่ท่านั้นะ่ะ หรือถ้านึกถึงพุทโธได้เมื่อส0สิวินาทีที่แล้วความฟุง้งซ่านที่มันจะเกิดขึ้นนั้นก็แค่ได้แสสิวินาทีนี่แหละที่เหลือมันอยู่อยู่นะเพราะว่าเชือกมันตึงอยู่นะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มได้สิไม่ไปไหนหรอกเชือกอยาขาดเสาอย่าล้มแต่ถ้าเชือกขาดหรือเสาล้มทำไงก็ผูกเชือกขึ้นใหม่ตั้งเสาขึ้นใหม่ ผูกเชื่อขึ้นใหม่ตั้งเสาขึ้นใหม่ก็คือมันนึกถึงพุโทโธใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่อยากมบวงสตินี้จะตามไม่เกิดสมาธิถ้าม่เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดเพราะว่าถ้าบังคับความคิดแล้วมันจะบวดหัวแต่ให้เป็นอย่างธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดานั้นก็คือบางทีมนก็คิดบ้างละแต่นึกได้ปุ๊บละวาง ความคิดเหล่านั้นให้มาอยู่กันกับพุทโธและการที่เรามานึกถึงพุทโธมันไม่เป็นการบังคับหรือมันเป็นการควบคุมแน่นอนทุกฟังมันต้องมีการควบคุมบางถ้าปล่อยปละละเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันก็วุ่นวายไปหมดไม่ได้หรือถ้าจะบังคับขู่เข็นบีบบังคับกันเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็จะเจ็บปวดมันก็จะปวดหัว ในที่นี้เราเอากลางๆกลางๆ ก, ก, ก็คือการควบกลุ่มไว้ด้วยสติสัมปชัญญะของเราใช้พุทโธอย่างเครื่องมือพอเรานึกถึงพุทโธอย่างนี้แล้วพอจะรวบรวมให้มีสติสัมปชัญญะแล้วเราสามารถที่จะเอาสมาธิในธรรมฟังมาใช้งานได้ในหลายๆอย่างวันนี้ครับทุาอยากจะนำเสนอวิธีการที่ให้ทรรมฟังนั้นเอาสมาธิมาใช้ในการทางาน ในเรื่องของ time management คือการบริหารเวลาการจัดการเวลาให้ชีวิตของเรานั้นมันมีผลิตผลคือ productivity ที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นคือ efficiency productivity การทำงานที่มันดีต้องรู้จักแบ่งเวลา time management เพราะทุกวันนี้ทุกฝั่งสิ่งที่มันจะมา distract t r a c t หมายถึงการที่มาล่อลวงยั่วยวนดึงเวลาของเราไปเนี่ยมากมายโดยเฉพาะอย่งยิ่งโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราต้องมนลูดมาถมาถูโทรศัพท์ย่นนะ่บางคนนี่ตาเนี่โอ้โหเหมือนกับทากาวดด้วยเลเซอร์จดจ่อไว้อยู่กับโทรศัพท์ เออว่าจะตั้งใจทำงานนี่เวลานี้ถึงเวลาก็ดู YouTube บ้างดูไลฟ์ขายของบ้างเล่น Facebook บ้างหรือไม่ก็ดู t i k t o อกบ้างดูมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะบางคนตั้งใจว่าจะนอนสี่ทุ่มรูดใบไทยมาตีสี่ยังไม่ได้นอนอ้าวนั่นเพราะว่ามันกวนละกวนละมันดึงเวล า, ลวลวาเราไปละการบริหารจัดการเวลาไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพจึงทําให้มีปัญหาเสียเวลาได้เฮ้ยงั้นตรงนี้จะแก้ปัญหาไงเอาสมาที่มาแก้สิําวังตัวกัปปเจ้าเองศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าบางทีก็เอาพุทธประวัตินี่แหละเรื่องราวดำเดิมมาอ่านซ้ําไปซ้ํามามีจุดหนึ่งที่มาสะกิดใจเข้าหลังจากการอ่านซ้ําไปในหลายๆรอบแล้วลจุดหนึ่งคือกุตกิจหประการ เราตัวอย่างการบริหารจัดการเวลาของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการเวลาของเราเพื่อที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นไม่เหลือเปลินไปตามเรื่องราวต่างๆวิธีการที่ท่านแบ่งเวลาบริหารจัดการเวลาของพระพุทธเจ้านั้นมาจากในคาถานีตำบังที่ยกมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการ พันเหบินตาป่าตันจักระในเวลาเช้าเริ่มมีประทีขึ้นนี่ก็ไปบินนบาทลักษณะการบินนาบาร์ความประสงค์ก็คือการหาเลี้ยงชีพด้วยปลีแข่งของตนเองคำว่าภิกษุภิกษุนี้ท้านมาฟังเพราะว่าผู้ขออยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะเอาธาตุไหนมาประกอบในคำแปลบึงดีก็จะแปลว่า ผู้ต่อยกิเลสบ้างบางทีก็จะแปลว่าผู้สงบบ้างหรือในที่นี้เราจะแปลว่าผู้ขอก็ได้ก็คือไปขอนั่นเองการบินบาสนี่ขอเอาแล้วขอแบบบินบาต่างกับแบบขอทานยังไงต่างกันรู้บ้งต่างกันตรงดีกว่าถ้าขอทานนี่เราก็ต้องให้เขาสงสารให้เขาบบาว่าเห็นใจหรือไม่ก็ต้องกล่าวคำขอเลย นี่ขออย่างนี้อย่างนี้แต่ลักษณะการบินบาตันึงคือไปเงียบเงียบไม่ได้ต้องกล่าวว่าต้องขออะไรขออย่างไงหรือว่าทำให้ใครสงสารแต่ว่าศรัท ธ, ธากับสงสารมันต่างกันไม่มากเห็นแล้วมีความศรัท ธ, ธาจึงให้การรับนั้นก็เรียกว่าการบินบาตการให้นั้นก็เรียกว่าการให้ทานแต่ถ้าสงสารแล้วจึงให้การให้นั้นเรียกว่าการสงเคราะห์ การรับนั้นเกี่ยว่าการขอนำซ้ําในลักษณะของประสงค์แต่บอกว่าเขาไม่ได้ปวาวรณาเอาไว้ด้วยศรัทธาจะขอก็ขอไม่ได้นะแต่พระ บ, บางรูปนี่พอเห็นใครมีศรัทธาปวาวรณาเอาไว้ดาวไถนี่ขึ้นทันทีเดี๋ยวก็ขอนั่นแดีวก็ขอนี่ขอมากเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะสําหรับประสงค์ เราระชาชนจึงใช้บัญญัติสัพท์ที่เรียกว่าปินดาบาดมาจากคาว่าปินทะปาตะบาดนั้นหมายถึงตกลงปินทะคือก้อนข้าวก่อนข้าวที่ตกลงในบาดถ้าเป็นบาดแบบบาทพระก็จะมีเราเรือด้วยเวลาไปบินดาบาดก็ด้วยปลีแข่งของตนเองต้องมีเครื่องบริหารอยู่สองอย่างคือบาดและจีวร มีอุปกรณ์ในการที่จะทำกิจกรรมชนิดนี้การออกปินดาานั้นต้องมีบาทและมีจีวรมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายหมายถึงภายในและภายนอกภายนอกคือร่างกายภายนอกต้องหุ้มห่อด้วยจีวรได้อาหารมาใส่ในบาทแล้วรับประทานเข้าไปข้างใน ก็ล่อเลี้ยงร่างกายให้ทำงานได้เวลารับบินญาบัตมาแล้วก็ต้องฉันโดยการพิจารณามีการพิจารณาโดยเยกขายแล้วจึงบริโภคไม่บริโภคให้มาเกินไปไม่บริโภคเพื่อเล่นสนุกอร่อยแต่บริโภคให้พอระ ง, งับเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเท่านั้นคือความหิวที่มีอยู่ในปัจจุบัน ป้องกันความอิ่มจนอืดหนัดที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าและก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะมีมาพิจารณาลักษณะนี้ทั้งก่อนการบริโภคระหว่างการบริโภคเพื่อให้อาหารนั้นไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับตนเองในส่วนหนึ่งการพิจารณาแบนั้นยังช่วยที่เรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์ด้วย จรงๆแลไปโ ป, ปรดสัตว์การบิณฑบาตนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการไปขอเบียดเบียนประมาทใลักษณะแบบไปไถไปขอผู้ให้น่ะเรียกว่าผู้สงเคราะห์ซึ่งการสงเคราะห์อาจจะเกิดจากความจำเป็นก็ได้แต่ว่าการไปบิณฑบาตนั้นเกิดจากความศรัทธาศรัทธาแล้วให้เออลักษณะนี้ได้บุญเป็นการกำจัด ความตรณีที่มีอยู่ในจิตใจให้จิตใจนั้นรู้จักที่จะละจะสละออกการทำจิตของบุคคลอื่นให้ได้ประโยชน์คือการกำจัดความตรณีนี้จึงได้ประโยชน์ของผู้ให้ด้วยอันุูฝั่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นทั้งแก่ทั้งสองฝ่าย กิจกรรมการเป็นบิณฑบาของพระพุทธเจ้านั้นจึงมีประโยชน์ให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ให้ได้ให้เกิดการเลี้ยงชีวิตไปของผู้รักได้ยังปัญญาในการพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานให้เกิดขึ้นด้วยแล้วยังเป็นลักษณะของการไปออกกําลังกายด้วยนะทูฟังพระพุทธเจ้าเนียแนะนําการออกกําลังกายสําหรับพระสงฆ์ ด้วยการที่ว่าให้ไปเดินเดินกลับไปกลับมาในขณะดเดินก็สมรสมอินีมีใจไม่คิดไปในภายนอกลักษณะการไปบินดาบาก็ต้องด้วยปลีแข่งของตนเองก็คือไปเดินนั่นเองเป็นการออกกำลังกายสังเกตไหมว่าท่านให้ออกกำลังกายนเดินนี่คือก่อนรับประทานอาหารเออที่ก็เป็นเน่อนขายอย่างหนึ่งกันนะ ไปเดินออกกําลังกายแล้วจึงค่อยมารับประทานอาหารรับประทานอาหารก็ไม่ใช่มากินมากจนเกินไปต้องมีการพิจารณารในประการที่หนึ่งปุพพันเถรปินดาป่าตันจัตตอนเจ้าไ ป, ปบิณฑบาบส่วนตอนเย็นสายยันเหรธรรมเทเสนาตอนเย็นนั้นก็แสดงธรรมสั่งสอนคนทั่วไป ลกลางวันทําอะไรกลางวันนี่เราก็ไปลีกเล่นจะมีในตำรากัมปีเขาจะอธิบายถึงความที่พระพุทธเจ้าหลังจากทําพัฒกิจเสร็จแล้วในเวลาเช้าก็ไปสู่ที่พักกลางวันที่พักกลางวันนะั้นไม่ใช่นอนกลางวันนะเป็นที่นั่งแต่ลักษณะที่จะทําสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างอยู่ลีกเลนให้จิตใจเนี่ยมันสบาย ที่ตรงแยกที่พักกลางวันที่พักกลางคืนก็เป็นอย่างนี้แหละแม้มันนอนถ้าบอกว่าไปอยู่ในที่พักกลางคืนมึงดีมันนอนหลับจ้อยเลยแต่ที่พักกลางวันนั้ น, นเพื่อเกิดความสงบเพื่อเกิดความแยกตัวไปซึ่งลักษณะนี้หมายถึงเมื่อที่เราจะไม่ทํางานทําการเช่นว่าอ่านหนังสือแต่คนที่ยังต้องเรียนหนังสืออยู่ หรือว่าการงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับผู้คนรับประทานอาหารเสรแล้วก็ไปทำได้ในที่นี้งานของประสงค์คือการทำจิตตภาวนาก็อยู่ด้วยอิริบทเดินหรือนั่งเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิมีลานจงกรมมีที่นั่งสมาธิที่พักกลางวันเป็นที่ทำงานก็ไปสู่ที่ทำงานของตน แต่าบางทีต้องเดินทางก็เดินทางช่วงเวลากลางวันทําทงานนั่งสมาธิภิกษุที่พักกลางวันเดินจงกรมบ้างแต่าบางทีสําหรับภิกษุบางรูปมีงานก่อสร้างซ่อมแซมเสนาสนะทําจีวรหรือทำกิจเนื่องด้วยเสนาสนะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็จะใช้เวลากลางวันเพราะว่ามีแสงสว่างรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ก็มีการบริหารกายด้วยงานที่ตนเองทำเพราะถึงเวลาเย็นในกลางวันผ่านไปแล้วถึงเวลาเย็นก็แสดงธรรมสั่งสอนประชาชนสายยันเหตุธรรมเทศนงคือผู้คนพอทำงานของตนเสร็จแล้วก็จะแวะมาวัดคุนจะบาเนี่ยนะแวะมาวัดในช่วงตอนเย็นเพราะว่ายังไม่มืด บางทีจะพบปะผู้คนก็เวลาเย็นอย่างนี้แหละบานทีพระราชาก็มาพบบ้างข้าราชกดีคนนั้นหลังจากทํางานแล้วก็แวะมากราบพระพุทธเจ้าก่อนช่วงเย็นกลับบ้านไปแล้วจึงค่อยรับประทานอาหารตอนเย็นมาวัดก็เอาน้ําปานะอาจจะเป็นน้ําผลไม้หรือบางทีกาแฟสัตว์บมีน้ําพึ่งมีเนยเป็นต้น ลักษณะช่วงเวลาเย็ยนนั้นก็ยืดหยุ่นตามฝั่งสาหรับพระพุทธเจ้าบางคนมีเวลาน้อยก่อนมืดค่าก็จะกลับบ้านแวะมากราบพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็มีบางครั้งบางคราวก็จะยืดต่อไปบางทีมีนัดพิเศษต่อไปจนถึงหัวค่ำสามทุ่มถึงค่อยกลับบ้านแบบนี้ก็มีมันก็เป็นครั้งเป็นกล่าวแต่มีการแสดงธรรมตั้งแต่จากช่วงเย็น ต่อเนื่องไปจนถึงหัวค่าก็จะรูปถึงในช่วงเวลายามตัดไปของพระพุทธชาด้วยนั่นคือในช่วงที่สามปะโทเสพิกุโอวาตังคือเวลาค่าเวลาค่านั้นคือในช่วงยามแรกแห่งราตรีแต่ประมาณการก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มช่วงยามแรกแห่งราตรีในยามแรกนั้น ก็คือหวัวค่ำแล้วหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแสงสว่างหายไปแล้วก็จุดไฟแต่ในครัวเรือนก็ทำอาหารแต่ถ้าสำหรับริสุไม่ได้รับประทานอาหารก็มานั่งรวมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะฟังธรรมเวลามาพบเจอกันนะในสมัยพุรกาลประสงค์มาหาพระพุทธเจ้า หรือว่ามาทำข้อวัดให้กับพระเทระชนี่ก็จะมีกิจหลักๆอยู่สองอย่างคือไม่มารวมกันเพื่อฟังธรรมก็มารวมกันนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆอย่างพระอริยาเจ้าคืออยู่กันงเงียบๆไม่ได้บ่าต้องมาคุยกันว่าเออวันนี้ผลเรื่องนี้เป็นยังไงเดินทางยังไงไปไหนมาใครจะไปไหนพรุ่งนี้ อันนี้ไม่มีนะอันนี้จะต้องทำมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วสาหรับพระสงฆ์นี้แล้วสาหรับพระสงฆ์บางทีก็จะมีเวลาที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ในช่วงเย็นช่วงเช้าไปบิณฑบาตตอนกลางวันไปทางานของตนในกิจการภาวนาหลีกเพราะตอนเย็นออกมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็มาทำข้อวัดในการทำความสะอาดเสนาสะนะการอาบนา้า การทําข้อวัดให้พระเทระที่ต้องมีการชักผ้าบ้างการทํากิจต่างๆบ้างสําหรับคารวาสเนี่ที่ว่าเขากลับบ้านกันไปหลังจากพบพระพุทธเจ้าตอนเย็นก็ไปทําอาหารไปคุยกับครอบครัวในการที่ว่ า, าพรุ่งนี้จะทําอะไรวางแผนงานอะไรงไงต่อไปใช่ไหมแต่ประสงค์นี้จบตั้งแต่ตอนเช้าตอนเย็นละเอาแล้วตอนค่า ว่าจะต้องกินข้าวกินอะไรพระสงฆ์ไม่ต้องกินไงไม่ต้องรับประทานนั่งนิ่งกันแล้วทำไงก็ฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมนั้นพระบริจาคก็จะเทศให้ฟังพอดีเอาประเด็นเรื่องนิทานชา ด, ดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างท่านก็จะเล่าปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีพระสงฆ์นำภิกษุรูปนี้มาเข้าเฝ้าปรารภ การกระทำของพิสุรูปนี้ก็ตรัสเทศเรื่องนี้ออกมาเป็นตนมีโอวาทให้สำหรับพิสุในช่วงหัวค่าพอเริ่มนึกขึ้นไปในที่นี้ท่านก็พูดถึงช่วงยามกลางเหงราตรีอัทธระเตเทวะปัญหงช่วงเวลาเที่ยงคืนก็คือตอบปัญหาเทวดาช่วงยามแรงราตรีนะี่คือหลงังจากพระอาทิตย ตกดินมืดไปแล้วจนถึงช่วงเวลาก่อนที่จะนอนนี่คือไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็นอนเลยยังทำกิจนั่นนี่นะี่คือที่ผ่านมาตอบปัญหาพระภิกษุแต่เวลานอนพระภิกษุอื่นก็ไปพักผ่อนกันใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านี่ตอนท่านพักผ่อนนี่พักผ่อนในสมาธิแล้วก็เอาสมาธินั่นแหละในลักษณะที่ตอบปัญหาของพวกเทวดาที่จะมาเฝ้ากันในช่วงกลางคืน บางทีเทวดาก็มาเฝ้าในช่วงท้ายๆของยามแรกต่อเนื่องมาช่วงต้นๆของยามกลางตลอดยามกลางแห่งราตรีจนไปถึงช่วงท้ายๆของยามกลางเข้าสู่ช่วงต้นๆของยามท้ายแห่งราตรียามปลายยามท้ายแห่งราตรีนี่ก็คือหลังตีสองเป็นต้นไปช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสองแตมีเทวดาก็จะผลัดกันมา สอบถามปัญหาพระพุทธเจ้าบางเรื่องที่มีมาอย่างเช่นในการตอบปัญหาเรื่องมงคลทาวสกเทวราชพาเหล่าเทวดาหลายหมื่นองค์มาถามว่าอะไรเป็นมงคลก็นี่แหละในช่วงยามกลางแห่งราตรีช่วงสีทุ่ม 2, ถึงตีสองเท่านกระทั่ น, า, นาทีนี้บางทีสามบดีบรมมาพบพระพุทธเจ้า ก็มาพบตอนกลางคืนนี่แหละช่วงที่เราเข้าสมาธิตลอดทัดมาอีกพอเลยตีสองไปท่ผู้ฟังนี่คือช่วงยามท้ายแห่งราตรีช่วงยามท้ายแห่งราตรีรตรคนเราก็ควรจนลุกขึ้นตื่นขึ้นก่อนที่พระอาทิตจะขึ้นตื่นขึ้นลุกขึ้นก่อนพระอาทิตจะขึ้นพระบูชาธรอะไรปจูเสวะคะเตกาเล พภะ พ, พเพวิโลกนังคือตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์ที่ควรจะบรรลุธรรมว่าเออใครมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วโดยวิสัยในการที่พระบุทชาดึงตรวจนั่นก็คือเริ่มจากขอบจั ก, กรวาลด้านหนึ่งมาจนถึงตรงกลางบางทีจากตรงนี้ตรวจไปจนถึงด้านโน้นของขอบจั ก, กรวาล หรือบางทีก็ตรวจกำหนดเลยตั้งแต่ขอบนี้ถึงขอบโน้นแล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะตรวจทางด้านไหนคำว่าตรวจในหมายถึงส่งกระแสจิตไปส่งกระแสจิตด้วยยานเหมือนเป็นเครือข่ายไปดูว่าเอ้มีใครน้อที่ได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันกันกบพระโพธิสัตว์มาในสมัยชาติก่อนๆโน้นได้เคยช่วยเหลือกันบ้าง ได้เคยพบเจอกันบ้างแล้วอยู่บริเวณนั้นมีอินทรีย์แก่กลา้าเพียงพอที่จะฟังแล้วบรรลุทำได้ดั่นก็จะตรวจหาคือเป็นเครือข่ายของสัญญาณกระแสจิตนั้นส่งไปเครือข่ายนี้ส่งไปนี่เพื่อที่จะไปหาไงในวันรุ่งขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วบางทีก็ไปโปรดด้วยการที่ว่าไปบินดาบาต ในเส้นทางนั้นเส้นทางนั้นบินนบาตแล้วเขาเห็นมีจิตเลื่อมใสแค่เห็นมีจิตเลื่อมใสนะทูฟ่าก็บรรลุทาได้นะหรือบางทีก็เพียงคำพูดสกิดใจนิดหน่อยเขาก็บรรลุทาได้นะทูฟ่าหรือบางทีเป็นการถามตอบถามเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งสั้นๆตอบเรื่องที่เขาสงสัยอยู่นั้นไม่ยาว มีความเข้าใจเกิดขึ้นปัญญาปรากฏเพื่บรรลุทาได้นะทุฝั่งเออีนคือจึงมีการตรวจตราดูว่าใครที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วด้วยความแก่กล้าของอินทรีย์จึงบรรลุทาได้ไม่ยากจึงไม่ได้ต้องแสดงทำอะไรเกินมากมายแค่เพียงพบเห็นหรือแค่พูดนิดหน่อยก็เก็ตละวันคืนก็วนไปอย่างนี้พระบรุตรานะ ของตนมีการจัดการแบ่งเวลาในลักษณะ5ประการนี้ในลักษณะแบ่งเวลานี้เราจะสังเกตเห็นได้ดูฟังว่าให้เวลากับบุคคลที่สำคัญสำคัญในชีวิตของตนทุกด้านเลยด้านที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปก็ให้ด้านที่เกี่ยวกับพิสูจส์สงก็ให้ด้านที่เกี่ยวกับเทวดาก็ไม่เว้นคิดที่ตัวเองต้องทำในการภาวนาของตน ก็ยังทำด้วยหรืคือทำหน้าที่ได้ครบทุวนทุกอย่างในบรรดาช่วงเวลาต่างๆทั้งยีบสีชั่วโมงพักผ่อนตอนไหนเนี่ยก็พักผ่อนตอนกลางวันบ้างโดยการเข้าสมาธิพักผ่อนตอนกลางคืนบ้างโดยการเอนกายนอนต่อปัญหาเทวดาบุญดีก็เอนกายอยู่นะพระบุตรจ่าของเราในช่วงเวลาที่ท่านมีการแบ่งเวลาพักผ่อนมีการแบ่งเวลาให้คนอื่น ทั้งแบ่งเวลาให้ตัวเองเพราะาเจ้าอยากจะให้ทุกฝังเอาเรื่องราวการแบ่งเวลาของพระพุทธเจ้าที่เลียกในหัวข้อว่ากุทธกิจห้าประการแต่ละวันนี้น้อมเข้ามาสู่ตัวเราเองให้เป็นกำลังใจของเราในการที่เราจะแบ่งเวลาให้มันได้อย่างมีประสิทธิบ้างสิ่งที่จะมาดึงเวลาของเราไปาเรีย distraction นจนมาดึงเวลาก็เราไปเฮ้ยทำไมเราไม่ทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำแต่ทำไมในเวลาที่ฉันควรต้องทำสิ่งนี้ฉันนันไม่ทำนั้นไม่ทำสิ่งอื่นที่มันไม่ควรทำแร้วก็ไม่ใช่จำเป็นต้องทำเวลานี้อย่างเช่นอะไรโซเชียลนีล่แหละังตัวดีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะท็อกซีก บุ f กเฟสเตอร์ทวิตหมายถึง t ิกต็อ facebook twitter youtube พวกนี้ทั้งหมดอะรูดขึ้นรูดลงไทหน้าจอกันสีเวลาไปบางคนหลายชั่วโมงบางคนเกือบทั้งคืนอะว่าจะนอนตอนสี่ทุ่มตีสี่นี่ยังไทหน้าจออยู่เลย ถ, ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขโทรศัพท์เนี่ยต้องเอาไว้ให้กลายตัว อย่าให้มันมาอยู่เวลาที่เราจะนอนเพราะว่าจิตใจของเราฟังมันจะน้อมไปเหนวเรื่องที่เราตรึกตรึกเรื่องที่เราตรึกตรึกมันก็คือมนโนปวิจารณ์ของจิตที่ที่จิตมันจะแล่นไปท่องไปจิตมันแล่นไปตามอะไรแน่นอนมันเสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นมือที่จับอยู่หรือรถที่สัมผัสด้วยลิ้นนี่แหละ มันเล่นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามือเราถือโทรศัพท์อยู่มันได้เห็นแอปพลิเคชันนี้อยู่มันได้เปิดเว็บไซต์นี้อยู่เดี๋ยวจิตมันก็จะเล่นใบดันตีมันก็จะไปดูไปแลาไปกลือกลัวเอาจิตเข้าไปจดจ่ออยู่นั้นแต่ว่าเป็นสมาธิไหมเป็นแน่นอนเป็นสมาธิแต่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่เพิ่มกิเลสหรือว่าลดกิเลสกันแน่ล่ะ แต่เป็นสมาธิช น, นิดที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงอั น, นั้นเป็นมิจฉาสมาธิล่ะมิจฉาสมาธินี่พาไปสู่มิจฉาปัญญานะแล้วก็ทําให้กําลังจิตของเราอ่อนลงในทางด้านที่จะเป็นสมาสมาธินะกําลังจิตในทางด้านที่เป็นมิจฉาสมาธิจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเข้ามาดึงเวลาก็เราไปเนี่ยอดูสิคนที่เขาเล่น Facebook youtube Twitter ทิก To อกนี่ หรือถ้าบางคน เ, นเล่นเกมเงี้ยนะหรือว่าเว็บพนันเองก็ตามแต่เล่นพนันออนไลน์เนี่ยถามว่ากิ จ, จกรรมพวกนี้ทำไมทำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงแล้วจดจ่ออยู่ได้คอนั้นไม่เป็นสมาธิเหรอแน่นอนเลยเป็นสมาธิชนิดที่เป็นมิจฉาสมาธิไงทําไมคุณมีสมาธิทําอันนั้นได้เล่นเกมได้ดูโซเชียลมีเดียได้ ดูวิดีโอดูสิ่งบันเทิงได้ในขณะที่ทําไมเราจะเลือกว่าเออฉันจะเอาสมาธิไม่เล่นเกมแลไรเขาเนี้ยฉันจะอ่านหนังสือฉันจะทํางานฉันจะศึกษาข้อมูลอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตหรือว่าทำประโยชน์ในทางด้านอื่นๆ้าทําไมทํำไมได้ทําได้สิทำฝั ง, งอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะมีกําลังจิตในการที่จะกําหนดเอาพลังนั้นเนี้ย มาใช้งานเมื่อไหร่ได้ไหมทําไมถึงจะต้องถูกกระตุ้นด้วยสื่ออื่นๆต่างๆแล้วจึงมาทําสมาธิได้เฉพาะเวลาเล่นเกมได้เฉพาะเวลาทําโซเชียลสมาธิแบบที่เป็นมิจฉาด้วยทําไมมาออกได้เวลานี้เท่านั้นทําไมคุณไม่สามารถเอาไปใช้ได้ในเวลาอื่นบ้างเวลาที่จะอ่านหนังสือได้ทํายังไงมี2วิธีการท่านฟัง วิธีการแรกก็คือปิดช่องทางที่จะให้จีบเราเนี่ยเหมือนออกไปจากนั้นเสียดูในตัวอย่างคนที่ก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างเงี้ยคนที่ชอบเล่นโซเชียลบางทีก็ดูไลฟ์สดซื้อของ f อเรื่อยหรือบางทีก็ดู Tik Tok กลูดไถเป็นนานๆเดี๋ยวนี้ก็อ่านไลน์อะไรกันเยอะแยะใช่ไหล่ะแต่พอมาอยู่วัดบางทีเก็ต้องเก็บโทรศัพท์ไม่ให้ใช้โทรศัพท์นี่ ก็อยู่ได้นะอยู่ได้ลักษณะที่ว่าก็ไม่ต้องไปดูก็ไนดะ้คือไม่ได้อารมณ์เสียห ง, งุดหงิดแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อันนี้แสดงว่าไม่ได้ติดติดนี่คือหมายถึงเสพติดโซเชียลมีเดียนี่ยนะคือถ้าเสพติดนี่ e จะมีลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมละฉินจะก้าวร้าวไม่ยอมพื้ทันนี่คือพวกนี้จะไม่มาปฏิบัติธรรมมาวา่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วละ จะไม่ยมเสียโทรศัพท์ปเลยแตเสียบะละาลานีเสจะอารมณเสียแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเ อ, อปิดมันได้หรือมันไปเก็บไว้ที่อื่นได้ในลักษณะที่ว่าฉันฝากเอาไว้แล้วฉันก็ไปปฏิบัติธรรมเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันนี้แสงว่าไม่ได้เสพติดแล้วไม่มีเสพติดหรอกพีิเด ว, ว่าเป็นลักษณะทางพฤติกรรมที่พอมีสิ่งอะไรมากระตุน้นเราก็จึงตามไป เพราะมันไม่มีสิ่งเราไม่มีสิ่งกระตุน้นเราก็นิ่งเฉย อ, อยู่ได้นี่คือเราใช้สิ่งภายนอกมาเป็นตัวปรับเปลี่ยนโดยการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ้างจัดโต๊ะให้มันเหมาะสมบ้างแบ่งเวลาให้ดีโทรศัพท์ช่วงเวลานี้ปิดซะหรือไม่ก็เอาไปเก็บไว้ในห้องอื่นส่วนอื่นของโต๊ะที่เราจะมองไม่เห็นมันโฟกัสอยู่เฉพาะงาน เปิดแต่อปพลิเคชันที่ใช้หรือมันจะมีซอฟต์แวร์อะไรที่มาล็อกไม่ให้เราใช้คอมพิวเตอร์หรือเปิดเว็บไซต์ประเภทอื่นๆต่อไปให้โฟกัสอยู่เฉพาะอยู่อย่างนี้อันนี้คือใช้สิ่งภายนอกมาเป็นตัวช่วยบังคับในการที่ให้จิตใจของเรามันสามารถมาโฟกัสในเรื่องที่เราจะต้องทำได้แบ่งเวลาได้หรือลักษณะที่สองก็คือจาก ทธิที่เป็นสมาธิของตนเราเองเลยแต่ถ้าเรามีสมาธิที่มีกําลังมากพอด้วยสตทิที่มีกําลังมากพอสตินี่แหละทุฝั่งที่มีกําลังมากพอสัมปัญญาคือความรู้ตัวทั่วพร้อมที่มีกําลังมากพอจะสามารถทําให้ในเวลาที่เราจะถูกดึงไปนี่เฮ้ยตอนนี้ฉันต้องทําสิ่งนี้นะเวลานี้นะ ลงตารางงานเวลาอย่างพระพุทธเจ้าตอนชาต้องไปบินตาบานนี่ไม่พลาดเลยนี่ตอนเย็นมาตอบคำถามคนนี่ท่านก็ไม่พลาดเลยนี่คือกำหนดสติสัมปชัญญาไว้กำหนดสติสัมปชัญญะเอาพลังสมาธิที่มีมาใช้งานเวลานี้ซึ่งแน่นอนรู้วังว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ของหวือหวามันจะไม่หวือหวาเหมือนแบบ โซเชียลหรือมันต้องมาทางตาทางหูให้เราแบบว่าโอ้สดใสหน้าฟังหน้ากินหน้าดูหน้าชมสมาธิจะไม่หวือหวาสิ่งที่จะมาดึงเราไปทางตาทางหูต่างหากนั่นแหละจะหวือหวาหวือหวาขึ้นลงแต่ไม่จิตมันฮุกง่ายๆแต่ด้วยสติสัมปชัญญะเราสามารถที่จะ อยู่เฉยๆนิ่งๆได้เฉยๆนิ่งๆตรงนี้แหละมันจะเป็นลักษณะที่ให้จิตเราไม่ไหลไปไม่เคลื่อนไปไม่เพลินไปในทางด้านอื่นที่จะมาดึงจิตของเราไงลักษณะจิตตรงนี้คือมีสติสัมปชัญญะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจากภายในมากมีระดับที่สูงสิ่งอื่นจะมาล่วลวงยั่วยวน ลอกให้ดึงไปเนี่ยไม่ได้หรอกบางคนก็ใช้ทั้งสองวิธีการในการช่วยนะว่าเอา่องั้นสิ่งวัลล้อมภายนอกก็ต้องรู้จักจัดเวลาให้เหมาะสมจัดเวลานี่ก็คือเห่นตอนบินตบายเนี่ยถ้าคนอื่นเขาไปบินตาบายกันน่ยฉันก็ต้องไปด้วยหรือทาไมคุณอยู่วัดแล้วคุณไปนั่งสมาธิได้อะผมก็เพราะว่าเขาทำกันแนะฉันก็ต้องทาด้วยก็คือมีสิ่งวัลอ้อมภายนอกไง มาเป็นตัวบังคับให้ว่าเออเราก็ต้องทำหรือในบางครั้งที่ถ้าเราจัดสิ่งวัตุล้อมไม่ได้เป๊ะแต่ว่าเออเราก็พยายามทำให้มันได้นั่นก็คือใช้สติสัมปชัญญะจากกำลังภายในของตัวเราเองทั้งสองอย่างเนี่ยช่วยกันพอช่วยกันทั้งสองอย่างประสิทธิภาพมันก็จะสูงขึ้นแล้วดูลักษณะการที่ปรบปริชาตเตนแบ่งเวลานี่จะมี time blocking ก็คือ แบ่งเวลาแบบเวลานี้ฉันจะทำสิ่งนี้อย่างเดียวเวลานี้ฉันจะทำสิ่งนี้อย่างเดียวส่วนอีกเวลาหนึ่งฉันก็จะทำสิ่งนี้อย่างเดียวจนว่าตอนบินนาบาเนี่จะไม่ได้แสดงทำบินนบาทนี่ก็คือโฟกัสเรื่องการเดินเรื่องการรับประทานอาหารจะไม่ได้โฟกัสเรื่องการพูดการเรื่อต้องโปรดใครคือทำเรื่องนี้เวลานี้เท่านั้น ส่วนอีกเวลาหนึ่งทำเรื่องหนึ่งเท่านั้นทีนี้ถ้าเราทําเรื่อง time b l o c k เนี่ยแก้ปัญหาในการที่เวลาเราถูกดึงไปใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเออคุณก็บล็อกเวลาไปเลยอ่ะเช่นเวลานี้ฉันจะตอบอีเมลเวลานี้ฉันจะโทรหาคนเวลานี้ฉันจะเล่นโซเชียลกาหนดเวลาไปเลยเช่นช่วงเพียงถึงบ่ายโมงนี่จะเล่นโซเชียลหนึ่งชั่วโมง จะดูหาข้อมูลนี้เท่านั้นเวลาอื่นเนี่ยฉันจะไม่ทําแต่มันเกิดแบบเอยอยากจะดูโซเชียลว่าเขาเป็นยังไงนนนอนนเดี๋ยวค่อยเวลาที่เราตั้งเอาไว้ค่อยมาดูเฮ้ยอีเมลจะว่าไงนนนอนนไม่ใช้เวลานั้นแต่ใช้เวลาที่เรากําหนดเอาไว้โทรหาคนทังเหมือนกันเวลานี้ถ้าคนโทรมาเอาอย่าเพิ่งรับสายหรือเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่อื่นเลยไม่ตอบใคร แต่จะโทษกลับก็บชุบว่าเวลาตอนนี้เท่า น, นั้นมน่ที่แบ่งเอาไว้เช่นหลังอาหารนี่เป็นเวลาที่คุยโทรศัพท์ได้เพราะว่าถ้าจะเอาเวลาหลังอาหารมาโฟกัสงานบางทีมัคิดไม่ออกละหนังท้องตึงบางทีหนังตาหย่อนแต่ว่าเอาอะติดต่อผู้คนคุยประสานงานช่วงเวลาหลังอาหารได้ก็แบ่งเวลาตามหน้าที่โดยเทคนิค time blocking บล็อกเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งสําหรับทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็ทํากิจกรรมให้มันได้ทั้งหมดไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปลักษณะตรงนี้เราจะเห็นจากตัวอย่างได้ว่าท่านเนี่ยให้เวลากับทุกๆคนหรือคือทุกๆุกด้านของชีวิตเราต้องแบ่งเวลาให้มี time blocking ให้เช่นเดียวกันระว่างว่า าสมุติเราจะทำเรื่องในเรื่องหนึ่งอย่างเดียวเลยนะเช่นว่าจะทำงานอย่างเดียวอ่ะอุ้ยครอบครัวด้านนั้นมันก็จะพังได้สุขภาพก็จะพังได้หรือถ้าโฟกัสแต่ครอบครัวการงานไม่แบ่งเวลาให้อันนั้นก็จะพังอีกมันก็ต้องบาลานซ์กันให้สมดุลกันในทุกๆด้านทั้งกรณีของพระพุทธชาคือหญิุสาวโวก ทั้งอุบาสอุบาสิกาเทวดาเหล่านี้ป็นต้นดูเราเองมีด้านที่ต้องดูแลอยู่ก็ทั้งหมด6ด้านด้วยกันด้านการงานด้านเพื่อนฝูงด้านครอบครัวจะกู้ครองแล้วก็ลูกหรือมารดาบิดาด้านที่เกี่ยวกับการงานด้านที่เกี่ยวกับราาพระเจ้าพระสงค์ต้องมีหมดทุกด้านนะทุฝั่ง ไม่ใช่แค่มีด้านในการที่เราจะต้องแบ่งเวลาอาจจะโทรหาโทรติดต่อพูดคุยส่งงานยังรวมถึงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณด้วยสำหรับพระสงค์นี้ไม่ได้มีเงินใช่ไหมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการจ่ายแต่สำหรับฆราวาส ด, ด้านต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนในค ร, รัวเรอนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าในอาชีพต่อๆไปก็ต้องมีการแบ่งจ่ายเงินให้เป็นไปตามนั้นด้วยแบ่งเวลาด้วยแบ่งเงินด้วยสัพยากรให้ไปในด้านที่เหมาะสมด้วยการทำอย่างนี้ตวัวหวังการแบ่งเวลาของเรานีจะมีประสิทธิภาพมีการแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้านต่างๆของชีวิตไม่เสียหายคือมันไม่ได้จำเป็นเลยะตหวังที่ว่า จะต้องแบบไปคอร์สปฏิบัติธรรมวันสิวันเออแล้วก็ที่เหลือฉันก็จะมาทําอะไรอย่างอื่นได้ละคือถ้าทำอนเางนั้นมันไม่ดีต้อนสูาสลับกันดีกว่าคุณหมายคว่าบางคนไปคอร์สเวันสิวันแล้วก็ทําได้อย่างดีเลยใช่ไหมแต่พอกลับมาบ้านแล้วก็เล่นโซเชียลขี่เกียลืมตัวไม่ใช้ใจอย่างเหมาะสม ใช้ช่ายสุรุ่ยสุร่ายบ้างตรณีเกินไปบ้างทำงานด้านต่างๆในชีวิตไม่เรียบร้อยด้านกรอบกรวบกกร้องไปด้านสุขภาพแย่ลงมันก็จะไม่เวิร์กไม่ดีซู่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเราบริายารจัดการเรื่องเวลาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องเงินทองในด้านต่างๆของชีวิต ในที่ทั้ง6เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายได้ยังเหมาะสมถูกต้องเธอจะไปปฏิวัติธรรมหรือไม่ไม่มีปัญหาละมีเวลาคุณจะจัดไปก็ได้ไม่มีเวลาคุณก็ทำอย่างนี้อยู่บ้านก็ได้เหมือนกันหน้าที่ก็ไม่เสียติดใจก็ไม่วุ่นวายไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสภายนอกแต่ว่าสามารถรักษาให้ นิ่งๆเย็นๆอยู่ได้แบ่งเวลาได้อย่างถูกต้องนี่คือการภาวนานะทุกฝังนี่คือการภาวนาในชีวิตประจำวันสหลับตาหรือจะเดินกลับไปกลับมาหรือไม่ไม่มีปัญหาแล้วลืมตาหรือเดินไปธรรมดาก็ได้เหมือนกันอีกประการหนึ่งทฝังในขณะที่เราจเจริญภาวนาอยู่นี้อีกเทคนิคหนึ่งที่เราจะใช้ได้คือเรื่องของปัญญา ให้เห็นโทษให้เห็นประโยชน์เวลาเราเข้าสมาธิอย่างนี้เราพิจารณานี่ให้กําลังจิตของตัวเองมันเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาหมายถึงวิปัสสนาให้เราพิจารณาว่าเอาโทษของการที่ถ้าเราใช้เวลาอย่างไม่เหมาะสมหลุดไถโซเชียลมีเดียใช้เวลาไปอย่างไม่ถูกต้องทําสิ่งที่ ไม่ควรทำในเวลาที่ไม่ควรทำทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีโทษอย่างนี้อย่างงี้ชีวิตเราก็ล่วงไปล่วงไปเวลาใช้ไปไม่ถูกต้องมันเปล่าประโย ช, น, โย ช, น, น, ชน์ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันประโยชน์ทั้งในภายภาคหน้าด้วยปัญญาเห็นโทษเนี่ยอย่าทำมันจะถอนออกจิตใจเนี่ยนะคือเหตุผลท้่ทุกคนมันเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไละ่ะเฮ้ยสิ่งที่ไม่ควรทำ โอเคเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ก็ทําอยู่ดีอ่ะอ่ะทําไมเป็นงั้นเพราะจิตใจมันมีความยึดถือไปไงความยึดถือไม่ฟังเหตุผลนะมันชอบันไหนมันก็ติดเลยไม่ชอบันไหนมันก็ดีดนี้เลยจะให้จิตใจเราเป็นไปตามลักษณะที่ว่ามีกําลังเข้าหาในสิ่งที่ควรเข้าดีดนี้ออกในสิ่งที่ควรออกนี่ก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาเตรียมไปก่อนไง ใช้ปัญญาให้เห็นโทษในสิ่งที่มันไม่ดีถึงเวลาที่มันมายุ่ยยวนล่อลวงเราจะมาเห็นเ ห, นเหตุผลเนีน่ยบางทีมันไม่ทันแต่ว่าถ้าเราเห็นโทษอยู่ในจิตใจเราก่อนแล้วมีสิ่งอะไรมายุ่วให้เราต้องเสียเวลาไปดีนี้เลยเซโนเลยเพระจริตมันมันไม่ไปในลนักษณะนั้นแล้วแล้วก็ให้เราใช้ปัญญาในการเห็นประโยชน์เห็นคุณประโยชน์ ของการที่ถ้าเราสามารถมาจดจอทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำได้อย่างมีระเบียบวินัมยมีระบบแบบแผนเ อ, อลักษณะที่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่ควรลงมือทำมันจะไม่เบื่อไงมันจะไม่โอ้ยฉันต้องทาสิ่งนี้แล้วหรือเปลิบเลยไปทางอื่นแล้วความเบื่อมันจะไม่เกิดแต่ช่องทางจิตที่ได้ซักซ้อมพิจรารณาเห็นประโยชน์ไว้ก่อนี่ มันจะช่วยให้เวลาตัดสินใจหรือลงมือทำมันง่ายมันสมูทมันเป็นอัตโนมัติเวลาที่เราตั้งจิตด้วยดูลงไม่ใจก็ตามนึกพุทโธก็ตามคิดนึกแล้วเรากลับมาอยู่กับลมกลับมาอยู่กับพุทโธนลักษณะาการที่ว่าจิตเรามันไม่ไปจิตเราสามารถระลึกถึงได้ มันเป็นจิตอันเดียวกันนะทุกฝังเกับที่ว่าเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียถอยหน้าถอยหลังอยู่เฮ้ยล่วนึกได้ว่าเอ้ยเอยฉันต้องหยุดแล้วนะอ่าเหมือนกันฉันต้องหยุดแล้วนะฉันหยุดเล่นนั่นแล้วนะเวลานี้แบ่งเวลาให้ถูกก็เราจค่อยได้เป็นจิตอันเดียวกันที่ไหนทุูฝังฝึกได้ให้เราใช้กําลังจากพระพุทธเจ้าที่ท่านได้มอบให้ไว้ ผ่านทางคำสอนของท่านเอาคำสอนนั้นมาเข้าสู่จิตใจเราก็เปรยียบเหมือนได้กำลังจากพระพุทธเจ้ากำลังใจทั้หวังเขาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในการแบ่งเวลาให้เหมาะสมถูกต้องทั้งเรื่องเวลาด้วยเรื่องเกี่ยวกับบุคคลต่างๆด้วยเรื่องประเภทของงานด้วยในทั้งสามด้านที่เรา ลงมือทาไปเวลาบุคคลการงานชีวิตเรามันก็สบายแล้วทุกฝังจะสามารถเหมือนกับค่อยก้าวหน้าเปรนเปไว้กับรวงพึ่งหรือว่าจอมปลัวที่ว่าค่อยๆสะสมทีละน้อยละน้อยจากไม่มีอะไรก็เป็นรวงพึ่งใหญ่ขึ้นมาได้มีน้ำพึ่งหวานสะสมไว้ จากแผ่นดินที่เรื้มเรียบไม่มีอะไรเป็นจอมปลวกเป็นทั้งดินปูดขึ้นมาจากผืนดินเป็นกองดินกองใหญ่ขึ้นมาได้แล้วก็ใช้การสะสมสะสมจิตของเรามีสติสะสมไมปทีละน้อยละน้อยทำสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็มีความแก่กล้าเห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงเหล่านี้แหละตุ๊มฟังเป็นเส้นทาง เส้นทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบเราทำงานรือติดต่อผู้คนเราแบ่งเวลาทางที่เราเข้าหน้าไปตลอดเข้าหน้าไปตลอดอนุ้นวะให้เรารักษาสติสัมปชัญญะให้เรารักษาสติปัญญาที่เราทำมาปฏิบัติมาให้อยู่อย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันและที่ตแต่ะฟังจบไปนั้น คือช่วงของจิตตะวิเวกในรายการธรรมรั บ, บรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมาหาไพบูรณ์อาภิปุณโญช่วงของจิตตะวิเวกคือการที่เรามาฝึกทำสมาธิกันจะมาพบท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหมงเช้า ท่านสามารถติดตามได้เป็นประจำในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org p a n y a .org ระบบเป็นไมในนพรุ่งนี้สุริยั